การบรรยายเรื่องการแผ่เมตตาในวันนี้เราจะหัดแผ่เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองที่เรียกว่าอัตตรักติตะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ถือว่ามีผลไปถึงการคุ้มครองผู้อื่นด้วยโดยปริยายเป็นปรารติตะการคุ้มครองผู้อื่นก็นจะมีผลกลับมาสู่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 ผู้ได้รับการคุ้มครองนั้นมีเป็นทุนอยู่คือผู้ที่มีคุณ น, น้อยและได้รับการคุ้มครองน้อยหรืออาจจะไม่สามารถได้รับการคุ้มครองเลยก็ได้ในเงี่ยงในทางลึกเมื่อเราพูดถึงการคุ้มครองตนเองซึ่งก็หมายถึงของตนด้วยตนคืออาตาแล้วก็อาตานยะคือของของตน จะเป็นบุคคลของตนหรือจะเป็นสิ่งของของตนเราก็สามารถที่จะฝึกอันนี้สิเราคงจะฝึกกันแบบเอาชัดเจนกว่าที่ได้ทํำเล็กๆน้อยมาในครั้งก่อนๆซึ่งเรื่องการคุ้นควมตัวเองเนี่ยเราน่าจะพูดเป็นเชิงปรนธำกันในเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นอาการของคนที่เห็นแก่ตัวในรูปหนึ่งหรือไม่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 การทำอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นแต่ตัวหรือไม่เราจะพบว่าธรรมะหลายข้อเนี่ยครับผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ได้เลยคำว่าอย่างนี้ได้หมายถึงว่าธรรมะที่นึกถึงแต่ตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่ทาได้โดยงนะ่ายอย่างเช่นคนที่เจริญสติปัฏฐานคนเจริญสติประฐานนั้นจะต้องเอาใจอยู่กตัว นึกถึงตัวเองเกิดตลอดเวลายิ่งนึกถึงได้อย่างต่อเนื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ว่าจะกู้ข้าเวเยียดออกไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยนฮะแล้วก็ทว่าจิตเคลื่อนไหวไปนึกถึงอะไรหรือจะเคลื่อนไหวเราก็สามารถที่จะรู้ตัวเองก็ไม่เอาใจออกจากตัวเองได้อย่างดียิ่งกลับเป็นกุศลชั้นดี แล้วก็ปรับเป็นว่าคนที่นึกถึงตัวเองโดยอาการอย่างนี้นานเข้านานเข้าแล้วความเห็นแก่ตัวลดลดจงจนกระทั่งไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยแล้วก็ในระหว่างนั้นความเข้าใจคนอื่นความเห็นใจคนอื่นและไม่ได้นึกถึงอยู่เดี๋ยวนั้นเนี่ยก็กลับจะมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปโดยลาดับโดยลาดับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงของธรรมะ ทั้งในทางหลักเหตุผลและในทางปฏิบัติทำนั้นในเรื่องอื่น ๆ, นๆที่โยบุติเจ้าพูดถึงในลักษณะอย่างนี้แม้ในเรื่องการแสงเมืตาคือคนจะฆ้าเนี่ยก็อดการไม่ได้ว่าการแสงเนื้อตาทำไมต้องแฝงเรื่องก่อนสแสดงว่าคนแฝงนี่กระทั่งจะแสงเมต้อตายังแฝงนื้อตัวเลยพเพื่อว่าจะกินข้าวก่อนฉันขอกินก่อน ยาวอะไรก็ฉังขอได้สิ่งนั้นก่อนให้กับตัวเองก่อนมันเป็นวิสัยของคนเห็นจะตัวแผลอย่างคนเห็นจะตัวทําไมถึงจะตัวต้องแผลให้คนอื่นก่อนซึ่งความจริงคนที่เขาแผลให้ตัวเองก่อ น, น, เ, ข เ, ออนเขาก็มีบทผลนะฮะคือที่พระพุท ธ, ธเจ้าสอนโดยที่ในคำพิสอนแล้วก็รู้ว่าว่าทําไมต้องแผลให้กับตัวเองก่อนก็เพราะว่าผู้แผลเนี่ยต้องการจะแผลให้คนอื่ให้ได้และวิธีที่จะนําไปสู่ การแผ่ความรู้สึกดีๆเช่นนั้นให้คนอื่นได้ก็ต้องต้องอาศัยการเข้าใจตัวเองการแฝงกับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถึงจะตัวเองก็จะเป็นสะพานทอดไปถึงบุคคลอื่นได้ในภายหลังอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นเรื่องของการนึกถึงตัวเองเนี่ยที่จะ น, นับด่วยไม่จนความเห็นเกี่ตัวนี่ยนะครับ จับหลักตรงนี ma ้ไม่ควรทำอะไรคือผู้ใดที่ปลาลบตัวเองด้วยจิตเป็นกุศลความปลาลบนั้นทุกประเภทไม่ถือว่าเป็นความเห็นแก่ตัวความปลาลบถือตัวเองด้วยจิตเป็นกุศลทุกประเภทเชื่อว่าเป็นความเห็นแก่ตัวนึกถึงแต่ตัวที่อย่างที่เราพูดกันไึกถือแต่ตัวเองก็หมายถึงถือด้วยจิตที่เป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วเราทางตรง ก, กันข้ามการนึกถึงอยู่คนอื่นถ้านึกถึงรูปจิตเป็นกุศลก็ไม่เป็นความเห็นแก่ตัวอตรงนี้นะก็ไม่มีไครว่าอยู่แล้วแต่ถ้านึกถึงด้วยจิตเป็นอกุศลแล้วก็ไม่เป็นความเสียสะละยกตัวอย่างเช่นว่าเรานึกถึงคนอื่นในตอนตีดีวิตเราด้ววันนี้มันก็นึกถึงคนอื่นนึกถึงตัวเองสลับกันไปสลับกันมา แต่มันมันมันเป็นลักษณะที่โน้มเอียงไปในทางจิตที่ปอกุศลเช่นเราไปยืนเข้าแถวหรือไป เ, ออเพื่อช่วยเกี่ยงเกงประโยชน์อะไรอย่างใด อ, อย่างหนึ่งหรือแม้แต่ขับรถเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะคอยนึกถึงคนอื่นแต่ความนึกถึงคนอื่นเนี่ยเรานึกว่าต้องเราก่อนหรือต้องเราไปก่อนคนอื่นอยากรู้ไปเพราะฉะนั้นเมื่อ เรากําลังขับรถอยู่ดีๆมีใครที่ใครทํำตาจะแตง่งเราก็พยายามที่จะเล่นเล่นเพื่อปิดโอกาสการได้ก่อนของคนอื่นาการนึกถึงคนอื่นอย่างเนี้ยเป็นเรื่องความรู้ตัวหรือเลือกลานที่ไปซุ่มเพื่อจีนสัตว์แล้วก็ดูสัตว์ดูดูดูนี่นะมันก็ไม่ได้ผลไม่ไดอผลเป็ น, นวความมีตัวอย่างอย่างรุนแรงที่สุดนะยเกือบจะไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้นึกถึงตัวเองนะฮะ จะถึงคนอื่นมาหรือคนที่ทําอะไรที่จะต้องไปมองคนอื่นอย่างเป็นเหยื่อของตัวเองเนี่ยที่ไปเฝ้าดูเขาเดินไปเดินมาอ่ามันก็เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอย่างน่าเกลียดที่สุดตันเองเพราะฉะนั้นเนื่อจริอยู่ตรง น, นี้ว่าเห็นหรือไม่เห็นไม่อยู่ที่จิตเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นการที่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 มามองฝั่งตรงข้ามคนที่มีความกรุณาหรือมีมุติตามีจิตเป็นมุติตามีจิตเป็นกรุณาเนี่ยครับก็จะคอยสอดส่องว่าใครมีความทุกข์ความเดือดร้อนที่พอจะช่วยได้ก็คอยสอดสอ่องด้วยจิตด้วยความรู้สึกอย่างนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึง่งแยกกันอย่างได้เห็นชัดว่าไอ้คนอิจฉาเป็นพวกเห็นแก่ตัวกล้าลบตัวเราถือว่าเป็นอาการของความเห็นแก่ตัวหนึ่งนะ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 มันก็กลายเป็นกิเลสแล้วนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ฟองถึงความถึงกับตัวของบุคคลนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะกิเลสมีเยอะคนที่มีสติคนที่จะเล่นมรณานุสติก็นึกถึงตัวเองนะะมีศีลก็ระวังตัวเองจะเล่นวิปัสสนาก็นึกถึงตัวเองเหล่านี้ยิ่งนึกยิ่งเป็นบุญยิ่งนึกยิ่งได้บุญ และคนที่นึกถึงตัวเองด้วยจิตเป็นบุญนั้นมีผลดีแก่ผู้อื่นมีผลดีแก่ผู้อื่นทุกอย่างทุประการเช่นคนที่มีอินทรียังวรมีอารักขาคุ้มครองตัวเองดีเนี่ยไม่ไปเดินเหยียบโนินเหยียบนี่ไม่ไปโดินเหยียบคอนอื่นไม่ไปเจินจรคอนอื่นไม่ไปขับรถ ค, น, คอนอื่นนั้นเป็นผลดีแก่คอนอื่น ที่รักษาประโยชน์ตนด้วยรักษาประโยชน์ผู้อื่นด้วยระวังความโตรธของตัวเองก็เหมือนกันระวังอารมณ์ของตัวเองก็เหมือนกันมันก็มีผลดีไปถึงกันเมื่อเชนนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้รับไว้ในประเรติตกดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นในหนาว่าผู้รักษาตัวในรักษาตนเชื่อรักษาผู้อื่นผู้รักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตัวอธิบายว่า โจรักษาผู้อื่นด้วยการรักษาตัวแล้วก็โจรักษาตัวด้วยการรักษาผู้อื่นคือถ้าว่าเราดูแลคนอื่นได้ผลมันก็มาถึงตัวนะผลมาถึงตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลในทางก ร, รม้มนะแต่ผลในทางกรรมเนี่ยก็อาจจะลึกหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างจะแน่นอนในทางหลักการมากหน่อยเจนว่าเราไม่เบียเดเบียนผู้อื่น เราเห็นคนอื่นจะถึงคนอื่นเบียดเบียนเราก็ไปให้การก้มครองถ่ายถอนชีวิตยับเราก็จะเป็นคนไม่มีอายุสัน้นไม่มีโรคมากไม่ถูกเบียดเบียนมากใครเบียดเบียนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับเราะเราให้เมตตาเนี่ยมันก็แบบเดียวกันนะครับแต่เมตตาใจากไปเองแต่เมตตาให้ผลิตก็ก็เป็นโดยลักษณะอย่างนี้เอ่อไ อ, อความต่างความเหมือนของความ หรือสิ่งที่เราเรียกว่าการคุ้มครองเนี่ยคือเรื่องของการคุ้มครองตัวเองไม่มีใครไม่เคยคิดเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรู้วยธรรมะหรือไม่เป็นคนรู้วยธรรมะแม้แต่สัตว์เลีสัตเนี่ยนะมันก็มีความคิดมีวิธมีความพยายามที่จะคุ้มครองตัวเองเกิด้าในผลมันออกมาม า, มาว่าให้บางคนคุ้มครองตัวเองอย่างดีทําไมคุ้มไม่ได้คุ้มครองท สิ่ของตัวเองอย่างดีทําไมคุ้มไม่ได้ทั้งที่มีเครื่องคุ้มครองที่เห็นเห็นเน่ยมากมายแต่บางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้คุ้มครองเหมือนดูเหมือ น, อนลอยปลาน่ะเลยแต่กลับมีความปลอดภัยสูงกว่าคนที่พยายามคุ้มครอ ง, องด้วยวิธีการของเขาจึงลําลดับประเด็นให้เป็นข้อทําความเข้าใจสามจุดด้วยกัน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 เลยของคนที่เราหลับอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายทุกคนที่พยายามจะคุ้มครองนี่ก็ก็้กมความคิดอย่างนี้ถ้าเอาจุดมุ่หมายมา ว, ว่าเนี่ยไม่ผิดอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องผิดไม่ว่าจะจักคุ้มครองหรือไม่ว่าจะโยงคุ้มครองไม่ว่าจะโจรคุ้มครองเนี่ยนะคความคิดคุ้มครองเนะี่ยเฉพาะตรงนั้นไม่ผิดแต่สิ่งที่มันเป็นผิดจนถูกเนี่ย ก็คือข้อที่สองต่อไปนะได้แชร์เหตุผลเหตุผลหรือข้อปลาลบในการคุ้มครองคือว่าการที่เราจะพยายามคุ้มครองตัวเองด้วยมีจิเลสเป็นเหตุผลเมื่ยมันคืออันนี้เป็นจุดแยกระหว่างพะอริยะ ก, กับอุติชนระหว่างสาธุชน คนดีกับอันธชนคนเมื่อตอดแตกต่างกับตรงนี้ว่ า, าถ้าเราคุ้มครองด้วยด้วยความรู้สึกที่เป็นเหตุผลอย่างอย่างอัทุชนเน่ยนะฮะก็เช่นว่าผลประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องหวงใช้ความหวงแหนนั้นเป็นท่อปลาว ที่ตรงนี้นะคถือได้บอกอยู่เสมอว่าเริ่มต้นเ น, นี่ยผู้ที่จะคุ้มครองใครหรือคุ้มครองตัวเอ ง, องคุ้มครองผู้อื่นก็ตามเนี่ยจะต้องทําใจให้สะอาดก่อนบางไอสะอาจจากอะไรเราก็มักจะบอกว่าตป็นกลางตรงกลางก็คือสะอาดจากความรักความชังความหินดีหยีได้คือคนที่ ที่พักผลประโยชน์ตัวด้วยความก็คือกระหอบด้วยอำนาจเขากีเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นด้วยอำนาจของความกระหนี่ทีเหนียวเนี่ยไอตรงนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของความผิดที่ถ้าพูดอย่างภาษาพระเขเรียกว่าไม่ทำสักแต่ว่าทำมันอาจจะสูงไปในระดับของผู้ที่ถึงคำชั้นสูง อย่างพระหลานอย่างที่ว่าเท่งวัดสวัดวัดหนึ่งเป็นวัดที่ปกครองโดยเจ้าอาวาสปุถุชนวัดอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่ปกครองโดยเจ้าอาวาสอาดิชกความแตกต่างอยู่ตรงไหนความเหมือนกันอยู่ตรงไหนความเหมือนกันก็อยู่ตรงที่ความรับผิดชอบ เราเป็นญจ้ า, าวาดนะัดแต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นผลประโยชน์ของวาดัดแต่ว่าความผิดที่เกิดขึ้นกับอาวาอัตรุตชนนั้นก็คือว่าดูแลวัดนั้นด้วยอคติด้วยมัจริยะนะอย่างที่ท่านพูดไว้มากมายในสื่อบางสื่อก็บอกว่าเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดด้วยความตรหนี์เช่นตรหนี่อาวาตก็ดี เป็นคนที่ไม่พิจารณาค่ายครวนใจกรองวิธี ก, ก่อนตํำหนิหรือขันเสริญบุคคลอื่นแล้วก็เลยกลายเป็นผิดคือไปตำหนิหรือขันเสริญบุคคลผู้ที่ควรตํำหนิหรือไม่คลวนตํหนิกลวนขันเสริญหรือไม่กลวนแต่ขันเสริญ ม, มันก็ทําให้ความม่หมายของความเป็นเจ้าอาวาสที่จะบําบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลผลประโยชน์ของศาสนาเนี่ยทําไม่สําเร็จหรือ แล้วมันสำเร็จบ้างไหมสาเร็จบ้างปะปนกันนี่ก็ปิกนกรณรที่มาถึงพระอริยะพระอริยะเนี่ยท่านปกป้องโดยที่ท่านไม่ได้ห่วงตรงตรงนี้เราเป็นคนธรรมะเราก็เลยได้รู้แน่นอ น, นว่าการคามุคมครองนั้นไม่จําเป็นจะต้องทําด้วยความห่วงและที่มันอควรจะต้อง เั้นยิ่งไปก่อ น, นั้นอีกก็คือว่าเพราะไม่หวงนั่นแหละกับคุ้มครองได้ดีและทำให้การคุ้มครองนั้นได้รับความสาเร็จถึงอย่างที่เรามักจะชอบถามกันแล้วก็เลลกิดปรลบไปฟังว่าบางคนบอกว่าก็เมื่อตัวเราก็ไม่มีของของเราก็ไม่มี เราจะเป็นรูปเราญาติพี่น้องเราทรัพย์สมบัติของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะไปปกป้องคุ้มครองทำไมอันนั้นหรือถ้าใครคิดว่าตัวไม่มีของของตัวก็ไม่มีคนนั้นจะปกครองดูแลอะไรได้เป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติจะปกครองดูแลอะไรเลยเราก็พูดเป็นอย่างนี้ซึ่ง น่าเห็นใจตัวว่าไอ้เนี่ยตรงนี้มันอาจจะลึกแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดหน่อยที่เราจะเข้าใจได้เพราะเห็นว่าให้เราเนี่ยมันมีความโลกมีความกำหนัดเวลาจะนึกถึงเรานึกถึงเขานึกถเอาเอาเอาเราเอาของเราเอาเขาเอาของเขาเข้าไปใส่แล้วมันก็เลยทําให้เกิดแรงบันดาลใจจากกิเลสเราก็เลยรู้ว่คนไม่มีกิเลสทาอะไรโดยไม่มีกิเลสมันไม่มีแรงบันดาลใจ แต่ที่แท้แล้ว แ, วแงบันดาลใจมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจบันดาลแล้วทําให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายเกิดผลสำเร็จแต่ถ้ากิเลสบันดาลใจเนี่ยการกระทาใดที่กิเลสเป็นตัวบันดาลใจแล้วมักจะเกิดผลเสียตามหลังมาเราจึงเห็นคนอย่างที่ว่าทั้งเกิดได้เลยคนทํางานเนี่ยคนกระปดูล่นทํางานเนมันมีสองประเภทนี้จริงๆ ไอ้ประ ท, ที่กระตือรือร้นแบบหวงงานแบบจะเอาแบบ ย, ยึดแบบจะถือเขาแล้วก็ทําด้วยความกระตือรือร้นพวกนี้ก็พวกหนึ่งมันก็มีทั้งในวงการทางโลกและวงการทางศาสนาแหละอีกพวกหนึ่งก็กระตือรือร้นแต่ว่าเขาไม่ได้คิดจะเอาทําด้วยความรู้สึกปล่อยวางแล้วผลเนี่ยมันก็ออกมาว่าเออไอ้คนที่เขาทําแบบปล่อยวางเนี่ยได้รับความสำเร็จมากกว่ามากกว่าคนยึดถือ ก็ทั้งเราและเราไม่เป็นเองอะไรนนะนึกดเท่าที่เรามีประสบการณ์อยู่หรืออาจจะนึกถึงตัวเราเองในกิจบางอย่างเนี่ยเราอาจจะกระตุ้นรุนด้วยความรู้สึกในทางต่ำบางอย่างเป็นกิจที่เรากระตุ้นร้นด้วยความรู้สึกในทางสูงก็มีแล้วก็ผลไม่ว่าจะเป็นความสุกความทุกข์การยอมรับจากผู้อื่นผลได้จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นแล้วก็ชะตาบุญชะตา ก, กรรม ที่ส่งผลแกเราภายหลังก็จะแตกต่างกันไปมันในตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวเหตุผลที่เราพยายามจะสะอาดอย่งนั้นอยางนี้จึงต้องรู้จักภากจิตเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิก่อนและการคุ้มครองนั้นได้คุ้มครองได้ก็ไม่ทาให้เราเสียคุ้มครองไม่ได้ก็ไม่ทําให้เราเสีย คือเราไม่เสียใจไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่เป็นเงื่อนไขกับคนที่เราไปช่วยดูแลเขาด้วยแล้วก็ก็ได้เห็นกันอยู่ที่วันนี้นะสมมติว่าอย่างที่ว่าทุกวันนี้อยคนนึ่งเป็นพี่คนโตแล้วคนอื่นก็เป็นเป็นนอ้องอ่าที่คนโตเนี่ยไม่มีอะไรเสียเลยมีแต่ความตราตรณ์ดีกับน้องทุกอย่าง แต่ความประพฤกิวความนี้นตัวอย่าง อ, อยู่ไม่มีแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่น้องไม่นับถือแล้วก็น้องดูถูกน้องลำแขวนก็คือความพยายามที่จะแสดงความหัวใหญ่น้องๆและหลานๆเนี่ยมันเป็นความหัวใยญด้วยความวิตกกังวลคือกังวลจนกระทั่ง น้องไม่อยากให้มาห่วงใ่แบบนี้เลยกลายเป็นทําคุณบุญชาโทษความรู้สึกอย่างนี้ไม่นําไปสู่ความสําเร็จแล้วก็เราอยจากไม่นําไปดู่ความสำเร็ จ, น, ออ น, รจนี่ยมันยังกลับกลายเป็นว่าปัญหาของน้องๆเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาเป็นมาอีกปัญหาหนึ่งคือที่เบญปนาที่เบญปาคอย ไ, ว, ไว้ไอความจุดกิด่งขี้ควัง กงยยังวนโง่หญ่ยันผิดปกติเนี่ยไม่กลายเป็นปัญหาและนานเข้านานเข้าก็าเลยในสายตาของน้องเลยเห็นว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่น้องแต่แะหรือมันมีปต่มาจะเป็นเรื่องเล็ก แ, แะคนที่มีปัญหากลายเป็นพี่แต่และมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่อมันจึงเป็นเป็ น, ปนอันหนึ่งต้อแคิอันหนึ่งว่าเมื่อ เราเจอคุ้นครออะไรเนี่ยหรือจะทําอะไรในทางแต่เนื้อตาเนี่ยต้องสงลายหรือต้องสำรวจไอ้ความรู้สึกตัวนี้นที่มันเป็นตัวบรรดาลอยู่ข้างหลังเป็นแรงจูงใจอยู่ข้างหลังเป็นเหตุผลอยู่ข้างหลังที่ทําให้เรา คือวิธีการวิธีการที่จะนาไปสู่เป้าหมายคือการคุ้มทรองรักษาจิงต่างๆอันนี้เป็นความแตกต่างที่ปรากฏเห็นตต่างแต่คนทั้งหลายคือถ้าหากว่าเป็นไอ้ผลลัพธ์อยู่ใน ใ, นใจเป็นความคิดเป็นความรู้สึกอยู่ในใจาบางทีคนไม่คุ้นเคยก็อาจจะไม่รู้สึกหรือบางทีฟังข้างพูดเนี่ยขั้นเดียวนี่นะ เราก็รู้สึกเออมันเขาพูดน่าจะถูกแต่ว่าพอไปฟังออฝ่ายที่เกี่ยวข้องพูดเออเราก็รู้เลยว่าไ อ, อคนนี้จินตนาการมากไปหรือสร้างวิมานจัดเกิดไปแล้วก็ที่แน่ๆเลยว่าถ้าสองคนมาพูดกันนะอย่างผมอย่างว่าอย่างการณีพี่น้องเมื่อกี้นะพยายามจะเล่าเทียบให้นึกถึงกรณีนึ่น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 จากคนจากไฟจากทกุกข์กระเจากไฟ่ากปืนสารพัดอย่างแต่และอย่างแต่และอย่างก็ก็ปุงเตาได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ควรทำและพระพุทธเจ้ า, จาอื่นก็ไม่ได้สอนไม่ให้ทำท่นานก็สอนให้ทำโดวยวิธีการต่างๆเหล่านี้ทีนี้วิธีที่ที่เราทําเนี่ยบางทีมันเกินเลยเกินเลยจนกระทั่งว่ามันกลายเป็น เป็นบาปเป็นอกุศลอ่าองค์ก็ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะที่เราเห็นก็เช่นว่าถ้าเราจะรักษาผลประโยชน์ของเราไว้ได้เนี่ยเราต้องทําลายคนอื่นนะฮะทาลายคนอื่นก็เช่นไปฆ่าคนอื่นอย่ที่คนบาปก็ทํากันนั่นแหละจึงจะเป็นการกอศลผลประโยชน์ของเราไว้ได้ หดือยเราจะปกคุม้มครองชีวิตของเราไว้ได้เนี่ยเราก็ต้องฆ่าคนอื่นก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งตัวเราจริงจะมีชีวิตอยู่รอดเราก็ฆ่าคนอื่นเออทีนี้ไอ้บางตรงนี้เนะี่ยบางคนมันก็พอจะเห็นคัดแต่ว่าเออถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรานะฮะคืออออย่างนี้ว่าาหารไปลรบในสมรภูมิเนี่ยมันก็คือต้องฆ่า ไม่ฆ่าเ ข, า, ขาเขาก็ฆ่าเราถึงว่าเราจะรู้เราเป็นเขมือนด้วยกันแต่เวลาออกไปสมรภูมิแล้วก็คือต่างคนต่างฆ่ากันพยายามฆ่ากันี้าย้ไม่ฆ่าเขาเนี่ยตัวเราก็ไม่รอดอาจจะถูกกบฆ่ามันก็ต้องทามันก็ต้องใช้วิธีนี้ที่มันเป็นที่สุดเนี่ยมันก็คือขยันะในกันทั้งคู่แหละอันนี้มันเป็นเรื่องของโลกโลกเก่านะครับขยันนะคือว่าไอคนหนึ่งตายไปคนหนึ่งอยู่ก็อาจจะ ตายด้วยตากรรมอะไรอย่างอื่นซึ่งบางทีไอต้ตรงนี้เนะี่ยบางทีพระก็เข้าไปยุ่งมากไม่ได้จึงไม่ให้พรเข้าไปอยู่ในกองทัพหรือไม่ให้ไปพูดาพาดพิงแบบตรงๆเนี่ยครับมันทําให้เกิดภาวะของความขัดแย้งแต่แก็เคยเยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนที่ทัดลําพังว่าเราจะให้ยู่เยน็นโดยหลักเนี่ยบางริงมันก็มีอยู่หัวโลกเราเลยนี้ก็ดีขึ้นเยอะในเรื่องโรบปลากระแกงกันเนี่ย เราพยายากจะตั้งกติกากระชับกระชับข้ามาเพราะว่าไอ้กีฬาตรงจุดนี้ของเห็ุผลทางนี้มันทำให้ไม่ฆ่ากันไม่ได้รอ้อยอเซ็นในยุคนี้เนี่ยก็ทำให้ให้ควอมย่างย่วขึ้นมีกติกามีอะไรตะไรที่เป็นข้อตกลงในการทำการลบลาฆ่าแกงกันในโลกนี้ก็ทำได้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าเราจะ เรียกว่าสร้างบารมีหรือใช้วิธีการคุ้มครองกันอีกมุมหนึ่งเลยเนี่ยมันก็ต้องออกไปนอกวิถีทางตรงนี้มันจึงจะอยู่เหนือปัญหาตรงนี้ไปได้แต่ว่าถ้าไอ้บางคนจะใช้ธรรมะเข้าไปก็กลายเป็นทหารที่ไม่มีคุณสมบัดที่จะไปลบอย่างที่เคยเล่าให้ฝังตัวเองก็อาจจะไม่ได้ล้มหายตายจาก หรบางคนที่มีหน่อยก็ถึงข้าวลบก็ลบไปให้ถึงข้าวแผลเมื่อตาก็แผ่ไปหรือคือเกยาว์ใจตัวเองก็เป็นแต่พียงทหารเล็กๆคนหนึ่งใถึงข้าวลบก็ลบไปนี่ก็ตป็นการแทรกกุศลแธรรมเข้าไปให้มันเขาอย่างชั่วขึ้นเอ๊ะไอ้ น, นี่มีการป้องกันอย่างนี้มันก็มันเป็นเรื่องที่เป็นผิด เ, เป็นถูกนะ เหมือนอ่งที่เราเราถามกันอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันยังหนึ่งว่าถ้าปลวกขึ้นบ้านจะทําอย่างไรปลวกขึ้นบ้านจะทำอย่างไรตัวนี้ก็ตอบตอบเอาเป็นเด็ดขาดแทงกันยากเราก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นเราเราทําอย่างนี้ถ้าเป็นคนอื่นจะทําอย่างไรนั้นเราเราไปบังคับเขาไม่ได้เพราะมันเป็นบ้านของเขาก็ต้องสอนให้เขารับผิดชอบตัวเขเองว่าถ้าเป็นเราเราก็ป้องกันคํา มีอะไรธาตุต้องการได้กระทาต้องกันหรื อ, อ, อต้องการได้เดียงอื่นมันก็มีวิธีที่เราจะต้องกันพยายามที่จะไม่ป้องกันด้วยการที่นําพาตัวเราไปต้องไปข่าคนอื่นไปฆ่าสัตอื่นเพราะว่าในเราบ้านเราปลอดภัยชั่วการเดี๋ยวนั้นแต่ว่าเราอาจจะมีเ่ายงมีกรรมในระยะหลังต่อไปไมันก็เท่ากับว่าเราที่ทักผลไป เออพิทักษ์ตักเตแอน แ, แต่ต้องไปเสีย้างอย่งไงนะไปเกียที่หลักก็เหมือนกับหลายๆคนก็อย่างวันนี้มาถ้ายกันแต่คนที่คนหนึ่งเขาเมื่อก่อนก็ฟังธรรมะตอนเย็นๆที่โยพุที่ผงเคยไปพูด มีความทุกข์ ม, มาอย่างคนมีความทุกข์มันเยเกิดารตั้นมาเขก็ไม่เคยมาปรึกษาไม่เคยมาคุยแล้วเดี๋มานั่งฟังแบบร้อยๆอย่าง้วก็ไม่รู้ว่มีทางหลังก็เกิดเขรียกว่าตอนนั้นจะทําอะไรก็รู้สึกว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาหมด <c oughs> ไม่รู้เขาเป็นลูกไปสเกิดว่าตอนหลังก็มาปฏิบัติครับแล้วก็มาใช้ชีวิตตอนหลังึง ปีเอาเปี่ัน ป, ปีมาแล้วเจอครั้งเดีคราสก็อึดๆไม่ได้ถึงว่าเขาเข้ามาทางนี้อย่างนี้แนะจะได้ความว่าเขาอีเวนต์กับเกี่ยวกับการปฏิบัติก็พูด ง, ง่ายๆว่าเป็นผู้จัดการกลุ่กลุ่มโรงคา้าศ์ว่าโรงค้าศ์จตัวเองเขามีเงินมีดอกมีรายได้เยอะนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไอต่อมา มาเกิดปัญหาเกิดทุกข์ไปได้เกิดหายยันต์คือเงินทอยที่หามาได้ก็ต้องมาเสียแ ล, ล้วลบไปได้เกิขวัญขวก็ขวัไม่มีพอหรือไงขวัญ ม, มีดีพอกลายเป็นคนที่ดูลักษณะแปลกไปเลยดูไม่ไม่สมประกอบในทางไหนไหวขวันกำลังใจไปนะฮะทีนี้ก็ช่องอเข้ามาตอนนี้ก็ดีนะก็ะดีขึ้นะก็คงนะว่าถาอย่างตามต่อไปก็อาจจะมีก็จะค่อ ย, ค, ยค่อยคืได้ ถ้าพูดถึว่า ไ, ไอ้ตอนนั้นที่เขากำลังได้ดีมีจบตอนทาบาปเนี่ยใครไปพูดเบาคงือว่าเป็นพวกขัดผลประโยชน์นะใครมายื่งทิงไอ้ตาแหน่งเข้าไปเ้าก็คจะรู้สึกว่าเป็นพวกแย่งป็นยนทีนี้ก็เมื่อตัวเอนออกมาแล้วเพื่อนแล้วไปถึงว่าไปทอยู่จริงๆอะไปทาอยู่นี่ตัวก็ไปบอกว่าอทําทเลย ท, แ ล, ทแล้วก็ต่อไปมันมีเวรมีกรรมอย่างน้อย่างนี้ เพื่อนเขาก็ตอบมน้าตอบม า, มามเามัเรื่องอะไรเรื่องอะไรทีให้เขาต้องไปเป็นอย่างตัวอย่างตัวเตียงอย่เพื่อนทุกเขามีความสุขมีเงินเดือนมีทุกครึ่ทุกอย่างที่ผู้แสวงหาความสุขสบายในปัจจุบันนี้แสวงงานี่ก็มีหมดเรื่องอะไรมาพูดเลยเขาจะต้องเป็น อ, อ, าอ่างนี้ตัวอย่างกันเขาไม่เชื่อแต่เพราะนั้นจุลก็มันก็ต้องร อ, อกันไปรอกันไปว่าสิ่งที่ ไปมาเนะี่มันจะคุ้มกับสิ่ที่ตัวเงจะต้องเสียเสียที่หลังหรืม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไปบังคับอะไรใครไม่ได้คนทุกคนก็ต้องเลือกเลือกเอาจากความเข้าใจความรู้ในเรื่องชีวิตจิตใจของตัวของตัวเองนะที่เราเข้าใจกันนะบางทีเนี่ยเราไม่เอาผลประโยชน์อันนี้หรือยอมเสียเสียผลประโยชน์อันนี้ก็เพื่อที่จะรักษาความสวัสดีของชีวิตจิตใจไว้ เราก็ยอมละเลยบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะรักษาบางอย่างที่สำคัญไว้แต่ว่าถ้าไม่กระจายแ้วทีเราก็ยอมที่จะรักษาบางอย่างไว้ที่มันไม่สำคัญร้องกับยอมสูญเสียสิ่งที่สำคัญกว่าก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ใครจะเข้าใจอะไรได้แท่นั้นคนอื่นเราก็มารับรองแกนแั้นไม่ได้เราจะไปรับประกันใครเขา จะจรงเป็นจริงมากนะก็ไม่ได้มันตรงนี้จริงเป็นสิ่งที่เป็นข้อแยกต่างคือการที่มีการรักษาอะไรที่จะต้องใช้ความสามารถในทางปากการรักษานั้นไม่ถูกแล้วก็เสียหายถ้าเรามาพูดกันอย่างเป็นตัวอย่างในทางจิต เกิอะไรก็ได้สมมติว <30 ỉ uate> ่าเอเกิดการแย่งรักรือสวัสดิ์กันแล้วคนหนึ่งก็มีความคิดว่าเราจะรักษาผลประโยชน์คือความรักความสวัสดิ์ของเราไว้เนี่ยก็โดยการทําลายกันหนึ่งเช่นเอาน้ําตรดไปสาดหน้ากันหนึ่ดี๋ยวก็เป็นข่าวกันนานๆครับเมื่อคนนั้น เสียโฉมแล้วให้คนของตัวก็ไม่ไปเรียวรักเขาน ะ, ะหรือไอ้ที่รักอยู่ก็มันก็สิ้นรักมันเวกี่อว่าสรุปแล้วก็เกี่ยวกัตัวเองรักษาคนที่ตัวรักไว้ได้แล้วมันเป็นอยงั้นไหมหรืออย่างในรายหมอที่อในที่ต่างจังหวัดที่เขาถ่ายรไปให้เราได้สรุปตรเนีนน้แม่แตัวยืนตายลงไปการโยนกับแม่ตัวไปมีความ รักใหม่ก็คิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้ได้ไปอยู่กินกับคนใหม่ก็จ้างมือปืนมาฆ่าภรรยาซึ่งมีลูกแล้วเนี่ยเศรษฐีแล้วคนนี้จะเป็นงไงรักษาผลประโยชน์ ไ, ได้ไหนตัวก็ต้องไปอยู่ในคุกในตลาดอันนี้มันก็ยังเรียกว่ามันเป็นสิทธิบอทันยิบเพื่อคือรักษาประโยชน์ั้นไไม่ได้ ด้วยวิธีกานกระทําอย่างนี้อมันอาจจะเป็นสิ่งที่อไม่ทันใจนะฮะคือบางทีมันก็ทําใจอาการกระป๋าแบบเนี้ยแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ทันใจสําหรับคนบางคนว่าถ้าเรามัวอมันนั่งนึกถึงไอ้ความถูกความต้องในทางสิ่งที่ทำรายธททมเนี่ยมันก็ไม่ทําใจเราแต่ว่าไอ้ทันใจในบางทีมันก็ทันไม่นานนะ ไอ้ผ ล, ล้ายมันก็ทันใจเหมืกันนะอย่างที่ว่าคนที่ไปทำสเสน่ห์คุณใสเย่งคนอื่นให้เขาออกจากกันและตัวเองก็เข้าไปดีแย่กันมาผู้ชายแย่งผู้หญิงผู้หญิย่งผู้ชายก็ดีหรือว่าทำสเสน่ห์ยากแฟดไปทำให้รตระด้าตัวไม่อยู่กับตัว ในที่สุดนี้มันมาเกิดถึงความวิตกทีหลังแต่นี้ก็จะเป็นที่พูดถึงกันในที่โดยทั่วไปอะ่ะสําหรับคนที่ออเข้าใจเรื่องนี้มันจรเป็นเรื่องของการทําลายผลประโยชน์ไม่ใช่เป็นการรักษาผลประโยชน์ไอ้สิ่งทําลายนีมันอาจจะมาในรูปใจรูปหนึ่มก็ได้เราจะลั่น เราต้องการจะได้ที่คืนแล้วก็ไปเผาบ้านคนที่เข้ามามาเท่าอยู่แล้วก็ดูแต่งไม่ยอมไปก็เลยไปเผาครับตัวเองก็ต้องมาได้รับเโินรับกรรมปักจัยนั่นแหละครับที่หลังทํานองอย่างนี้นะ<อ>ก็เป็นการยกตัวอย่างอย่างที่เราเชื่อกรรมแล้วก็มองมองแล้วก็ วิเคกาะห์วิจัยเอาเอาละก็จะมาเริ่มที่การปฏิบัติในตอนนี้ขอให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบายสบาย อย่าลืบว่าเป็นการฝึกด้วยแล้วก็เป็นการทำเกาจริงจริงด้วยให้มันเกิดผลในทางคุ้มครองขึ้นได้คุมครองทั้งบุคคลเองบุงคคลอนบุคคลอืนก็คือโดยบุคคลอื่นโดยประยายจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็โดยตรงก็คือเมื่อเรามีเจตนาคุ้มครองโดยประยายคือว่าถ้าว่าเรา ปุกเสกตัวเองให้มีความแคล้วคลาดด้วยอำนาจเมตตาจิตเนี่ยใครที่เข้ามาอยู่ในลักษมีเกี่ยว ข, ข้องก็จะพลอยแคล้วคาดไปด้วยเพราะว่าใ้เมตตาธรรมของผู้ที่แผลคุ้มคองตัวเองนั้นบกแผ่ไปถึงบุคคลอื่นแต่แต่ข่าวของเครื่องใช แต่เนกองอย่างนี้เวลาที่พระอริยะบุรพรลที่ท่านได้สมาธิจิตทึงสูงเพื่อท่านจะเข้าสมาบัตินานๆท่านจะแช่จิตคุ้มตัวแล้วก็คุ้มคุ้มของของท่านและหรือคุ้ม ของสิ่งที่อยู่ในรับผิจจอบของท่านว่าเมื่อท่านอยู่ในสมาธิขอให้สิ่งที่เป็นของของท่านของที่ท่านควรคุ้มครองจงขาดแก้และปลอดภัยและถ้าว่าสมาธิจิตดีเนี่ยครับถึงแม้ว่าไฟจะไหม ไม่สิ่งที่ท่านอธิษฐานปิดไว้ไม่ได้หรือไม่เข้ามาไม่ถึงรัศมีที่ท่านแผ่ปิดคุ้มครองไว้หรือผู้ที่ท่านปรารถนาจะคุ้มครองในระหว่าง น, นั้นใครจะไปทําอันตรายไม่ได้สิ่เหลืองนี้เป็นธาร ก, กิจที่ผู้เข้านิโรธสมาบัติเข้าผลสมาบัติ จาต้องแอจิตไปอย่างนี้เราสามารถที่จะนำเอาวิธีการอย่างนี้มาใช้กับตัวเราเองทุกเป็นนิสัยขอให้ท่านาจิตคุ้มคลองตัวแเนะตาจิตคุ้มคลองตัวซึ่งเป็นอันเดียวกัน น, นึกถึงตัวเองทั้งตัวในขณะ น, นี้นึกถึงตัวเองที่นั่งอยู่ในขณะ น, นี้โดยไม่ต้องไล่เลีงเออ่งมอวัยวะไม่ต้องไล่เลียงส่วนเพียงแต่นึก อย่าได้เกิดขึ้นอันตรายจากการเดินทาง อันตรายอาจจะไม่ปรากฏเป็นเอกเทศ เฉพาะตำแหน่งแห่งที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนในทางิบาะหรือเป็นจุดที่อาจจะเกิดภาวะเสี่ยงขึ้นได้ในกาละในเทศะหรือในกรณีกิจนั้น ที่ตาหรือที่ศีหรือที่ปากยกตัวอย่าง ชั่วร้ายแม้ว่าเรากำลังจะได้ยินอยู่เราก็จะรู้สึกว่าเสียงนั้นไม่มีพลังซุมซับเข้าไปสู่กระแสจิตของเราไม่ย่งยีจิตของเราหรือทำให้ผู้ที่เปล่งเสียงนั้นออกมา มีอันจำต้องหยุดหรือต้องไม่สามารถพูดกับเราได้อีกหรือไม่พูดกับเราเช่นนั้นอีกเป็นการรักษาจิตใจให้พ้นจาก เราจะไปถูงที่ทำงานที่คนในที่ทำงานพูดไม่ดีก็ให้แผ่คุ้มครองหูของตัวเองไว้ No. <laughs> จะเข้ามาจับต้องไม่ติดไม่อาจเข้ามาเบียดเปลี่ยนวีทาได้ใครที่มีสมาธิดิ will o m จะแ่คุ้มครองบุคคลอื่นคนใดคนหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนในเวลานั้นควรจะทำอะไรอยู่เช็นเวลานอนเขานอนอยู่ าทำงานเขาควรจะยืนอยู่ให้เรานึกถึงตัวเขาให้ชัดเจน ของเขาอิเลสภัยนั้นอาจจะเกิดขึ้นด้วยจริตนิสัยเขาเองหรืออาจเกิดขึ้นเพราะเรามีส่วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโดยประการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเกิดขึ้นจากเหตุอื่นๆที่เป็นเหตุภายนอกไม่ว่าจะอะไร ให้เราแพ่คุ้มครองป้องกันทั้งกายคือป้องกันทั้งอันตรายภายนอกและอันตรายภายในให้แค้วคลาดจากความย่ำยีของกิเลสถ้าเขาใจร้อนกระวนกระวาย ก็แผ่ให้เขาใจเย็นสงบระงับถ้าเขาคิดฟู้งซ่านเราก็แผ่ให้เขาสงบระง ให้ผลที่เราปรารถนาจะให้เกิดขึ้นและดำรงมันกับเขาให้เกิดขึ้นให้ดำรงมันต่อไป เตือนและทำให้เกิดความรู้สึกว่าจิตของเรากับเขานั้นแนบอยู่ด้วยกันเขากับเรานั้นใกล้กันไม่ไกลกันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มกําลังจิตเพิ่มความชัดเจนของจิต โดยทำความรู้สึกเหมือนว่าเราส่งกระแสพุ่งไปสู่เขาเหมือนฉายไฟฉายจากมือของเราพุ่งเข่งไฟู่จุดใดจุดหนึ่ง ความรู้สึกว่าเราส่งดวงความคิดพุงไปที่ตัวเขาทั้งตัวเหมือนกับดวงไฟที่ฉายบนโรงละครที่ส่งศาสไปที่ตัวละคร ที่กำลังเคลื่อนไหวบนเวทีให้แทนความปรารถนาปกป้องคุ้มครองให้เข้าพ้นจากอันตรายเช่นพ้นจากอันตรายคือภัยทางเพศพ้นจากอันตราย คือภัยที่เกิดขึ้นจากการแย่งชิงทรัพย์สินหรือพ้นจากอันตรายคือการปรุลาลาายย่งก้ไดับบาเดเจ็บล้มตายหรือพ้นจากอันตรายคืออุบัติภัยจากการเดินทาง หรือแม้แต่คนจากอันตรายจากการครบค้าสมาคมจากเพื่อนจากคนที่ไม่ใช่มิตรจากคนที่ไม่มีจิตเกื้อกูลให้แผ่สำทับไปที่บุคคลผู้นั้น อำนาจความปรารถนาดีของเราซึมซับเข้าไปสู่ตัวเขาจนเกิดอำนาจคุ้มครองที่คนชั่วไม่อาจจะเข้าถึงตัวเขาหรือแคล้วคลาดไปเสียที่อื่นทางอื่น บิเวณเดียวกันหรือรู้ว่าเขาอยู่ทางทิศไหนถ้าเป็นไปได้เมื่อเราจะนั่งและสามารถจะเลือกนั่งได้เลือกหันทิศได้ก็ให้หันทิศไปทางที่ผู้นั้นเขาอยู่ แล้วก็ตั้งสมาธิจิตไว้ที่มือและทำความรู้สึกสะท้อนผู้ไปหาผู้นั้นโดยผ่านฝ่ามือได้จะทำอย่างนั้นด้วยก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ สื่อหลักว่ารายละเอียดในวิธีการต่างๆค่ะเป็นสื่อกระตุ้นให้กำลังใจของเราเข้มขึ้นได้ความรู้สึกเป็นจริงเป็นจังและมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็ให้ทำ พูดในใจหรืออาจจะไม่ได้พูดเป็นแต่นึกรู้ว่าปรารถนาอย่างไรหรือบางครั้งอาจจะพูดออกเสียงบ้างเหมือนอย่างพระให้พร แม้ว่าจะอยู่หลับหลังเขาไม่ได้ยินก็สามารถทำได้และเมื่อแผ่ไปที่ตัวเขาขอให้ขยายขอบเขต ความนึกคิดหรือมโนโภาพหรือกร ะ, สะแสจิตแผ่ให้กว้างออกไปจากตัวคนออกไปสู่ที่นั่งหรือที่นอนจากที่นั่งที่นอน ที่ทำงานหรือที่ที่เขาจะไปและแพรัดกลับมาตรงจิตรัดกลับมาหาตัวครับจบลงที่หลังว่าให้ร่างกายและจิตใจของเขาได้รับการคุ้มครอง และตัวเราเองผู้แพ่ต้องทำความรู้สึกว่าเรากำลังให้การคุ้มครองแก่เขาผู้นั้นคนเดียวหรือสองคนแพ่ไปทีละคนแพ่ไปทีละหลายๆ ที่เราต้องการคุ้มครองรักษาโดยเร่งด่วนเช่นเราไปลืมของมีค่าไว้ที่ใดที่หนึ่งซึ่งเราไม่สามารถจะกลับไปดูให้รู้แน่ว่า อยู่หรือไม่อยู่ได้โดยขับกันทันทีหรือแม้จะมีสภาพเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อนึกได้ก็ให้แท่อย่างนี้โดยนึกถึงภาพของนั้นแล้วก็ส่งจิตเข้าไปคุ้มครองทันทีอธิษฐานคุ้มครองทันที ระวังอย่าให้ใจเร่าร้อนหล่นหลานการทำอย่างนี้สิ่งแรกที่จะได้คืนก็คือเราได้วันกำลังใจหรือได้จิตใจของเราคืนมาได้การมนสิการว่าถ้าของนั้นจะเป็นของเรา ครองของที่เป็นสิท์ที่ของข้าพเจ้านั้นไม่ถึงความไายนะไปด้วยโจรภัย ได้รับความสุขได้รับประโยชน์ ไม่ไปตามเอาคืนกับคนที่เอาไปแต่ขอชดใช้จากเหตุปัจจัยด้านอื่นไม่จากบุคคลอื่นซึ่งก็ไมหมายถึงเรียกร้องขอเอาจากกุศลวิบากในด้านอื่นให้กลับมาชดเชยแทน นั้นก็เหมือนไม่หายอยู่ดีข้อนี้เป็นลายละเอียดสุด ท, ที่อาจเป็นไปได้ในแง่ต่างๆแต่เมื่อเราจะทำในส่วนของการรักษาแบบมู่ที่จะนำกลับก็ให้ทำไปด้วยเจตนาณ์ บางครั้งไม่ได้คืนทันทีก็ได้คืนในโอกาสหลังหลัง แคร่ไปที่ประตูบ้านแพ่ไปที่ตู้เก็บทัสิแ่ไปที่เขตบ้านทั้ง เลื่อนจากัวบ้านเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งเคลื่อนไปยังที่ใดจุดหนึ่งตามลำดับโดยที่เหมือนตัวท่านเองไปเดินจงกรมอยู่ยกมือ โดยลำดับโดยลำดับจนมาประจบครบรอบที่จุดเริ่มต้ น, ตน แล้วก็ได้แผ่พลังแผ่บาลีของท่านคุ้มครองเพื่อนบ้านได้น้ําใจกับเพื่อนบ้านของท่านและเพื่อนบ้านของท่านก็จะมาให้การคุ้มครองปรัพย์สินของท่านโดยไม่ต้องไปออกปากปากฝังขอร้องให้เขาต้องมารับผิดชอบ คนเขาไม่กล้ารับากคราทั้งหมดเหล่านี้แม้ว่าจะมีเหตุปัดใจหรือเครื่องคุ้มครองด้า น, นอื่นๆที่เพื่อนบ้านเขาให้ความมุ่มือหรือเกิดภาวะบังเอิญแก้กลาดอย่างไรก็ตา รู้เถิดว่าหรือผู้แพรจะรู้ได้เองว่าสมุทฐานลึกๆในทางการอารักขาคือ กเรื่องของเราขึ้นมามันจะชัดมันจะชัดเจนมากเพราะถ้าถ้าเรารู้ว่าคนใดคนหนึ่งมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้ามานาั่งนั่งทำมันจะเข้าจุดหมดพอเข้าจุดหมดเนี่ยเจ้าตัวจะรู้สึกจริงจังคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นนักทำสมาธิก็นะมันจะจริงจังเพราะว่าแรงกระตุ้นจากแความที่ตัวเองมีปัญหาหรือแรงกระตุ้นจากความที่ตัวเองต้องการ จัดเกแล้วก็เลยบางทีทำให้ได้สมาธิไหวไปเลยสมาธิาเชื่อว่ามีโยนไนานทนททั้งหมดก็ได้น้อยๆทางจิตมาชับเนีด็ก <Yeah. S 2> ทางจิตประจารสมาธตาทาะเพราะนันมาว่าเป็นตั้ร่ยั้ ง, งมามาปาา่าที่เราตัไร สมาินะแล้วก็ผลแพอะไรเงี้ยต่างๆ แ, แล้วก็อพอพ้นเจ็ดวันนี้ให้ทุกคนออกมาแล้วมาดูมาดูผลว่าเป็นยังไงมันจะมีผลปรากฏเลยผลปรากฏเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างน้อยเนี่ยแค่ไหนอย่างมากแค่ไหนแต่เราก็ต้องจำว่าเราอย่าไปหวังผลทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะต้องได้ทั oh. venant, ้งหมดให้เนื anti, birth, ้อกดมันอาจจะได้จานนั ang, <h asta> the ้นนี้แล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะได้ผลมากบ้างน้อยบ้างอะไรต่างๆแต่ว่าไายเนี่ยได้แนแต่ที่มากอาจารย์ก่อนลงก็เห็นว่ามันได้แล้วในสูงแต่้เพียงว่าที่เราเห็ตาแล้วเนี่ยเามันไม่กินของเรา มเนไไม่อไดค้คือที่หรือว่าย่างบางทีเนี่ยนะฮะสมมติว่ามีคนขอยืมเงินไปจำนวนนึงนนแล้วก็มันก็เกิดไม่ให้เกิดไม่ให้เนี่ยล้าก็ดูสภาพแล้วเขาไม่สามารถจะเกาดได้ทีนี้ถ้าเรา ไอ้ไอ้ไอ้ไอเ้เกรดตรงนี้เราก็ไปเอามาคนอื่นเกรดคนอื่นมาให้แทนไอน้ใจเข้ามาเขาว่าอขอให้ได้เงินจำนวนนี้จากใครก็ตามที่เขาอาจจะต้องมาเป็นฝ่ายให้เราให้เราไอ้หนึ่ละท้ายก็ติดเข้าไปแล้วก็มันก็ได้คือคือ ท, ที่ว่านี่ยเป็นสิงที่ที่เคยทดลองใชง้มาเขาเป็นเป็นไปได้จริงจิอันนี้ก็มีการให้การจาก พนามกาติมาเมื่อทำบุญจนหมดแล้วว่าเทวดามาบอกทีมาบอกแสดงตอนว่าไม่ว่าจะไปพบคนรวยคนจนเขาจำทป็นก็ขอก็หมดไปนี่เมื่าพนามกาติมิกาเสร็อถึงเทวดาเทวดาก็ยิ้มอยู่อยู่ไปพระพุทธเจ คุณย่าไตามไปตามทรัสินของอนาจการงนการเี่มีปัหก็ได้เงินกับมาและย่าอนุาให้ไเกิดได้แล้วก็ได้มงนนั้นเข้าของเรานั้นมาก่ที่เราเห็นธรรมบุญเกิคือเคยเห็นบางคนเนี่ยอย่างน้อยก็ของคนที่ที่ได้ตอนนี้นะ คนดีนมีเมตตาเจ้เหรือสกุแต่ว่าเป็นคนหลวมหลวมในเรื่องทรัพย์สินแล้วมักจะมีคนมาเอาเปรียบนะเป็นว่าจะไปซื้อหาอะไรเนี่ยจะต้องโดนคนมาเอาปรียบเขาก็ร้อนใจนะแต่ว่าเขามีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งดีมาน ช, ช่วยเฉยเลยว่าเวลาที่ คนมาเอาเปรียบรู้ว่ะก็ไปซือของจานวนหนึ่งเมื่อ20ล้านมันโดนเอาเปรียบมันเอา30ลา้านแต่ตัวก็เสียเปรียบึปมันขัดเสียไปเปลา่ปลาๆ10ล้านแล้วจะไปตบไม้ตบมือก็ไม่ได้แหละมันก็บีบลาที่นี้จะทํำยังไงที่ตรงนี้นะมันเป็นสิ่ี่เขาเป็นอย่างนี้ตลอด ไม่ก็ไม่ใช่ก็จะต้องเสียเปลือตลอดนะแต่ว่าเขาเสียเปลียบ่อยแต่สิ่งที่เขาได้เชือเช่อเองก็ได้ตลอดคือไอ้สิ่งที่เข้าไปซื้อมาเนี่ยปรากฏว่ามันมาขายได้กําไรเกินกว่าที่เขาขัดทุนไปตั้งเยอะทุกทีไปอันนี้เป็นเป็นค้อแปรอันหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ก็คล้ายๆกันแต่ว่าคนนี้เขาไม่ค่อยเลารอด จะ ม, มาเปลี่ยนเขาเขาคือเขาไม่ไม่อยากไม่เป็นคนไม่ไม่โลภนะแต่เขาเขาสามารถที่จะหาเงินมาทองได้เยอะอันนี้ก็หาแล้วก็มีคนมาตอนนนตอน้อนนี่เขาก็บอกว่าเออคือไ อ, อเขาพูดอย่างนี้ได้ว่าเขาเขาสังเกตเอกตากรรมก็จนจะรู้แล้วว่าเออมันโกงได้โกงไปเดี๋ยวกูก็ได้ของกูอเกแ้วก็ได้น้องเขา คือไม่รู้บางทีอย่างเงี้ยแต่บางที่ผมเห็นแล้วก็แปลกท่ากันก็บางทีเขาไปเจอเสดเงินหลายล้านเสดเงินซะ น, นะแล้วไปเจอคือเขาก็ไม่รู้ไอ้เงินเขาไอ้วันจงวันทีอะไรแต่ไรเ น, นี่ยนะมันต่อเพื่อ <c oughs> เขาไม่ได้เคยรู้รายละเอียดอ่นนะนี้ก็เงิ น, นบางทีมันตดนคนเอาเปลี่ยนไปอะไรไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเจอวันทีหายเงิมโผลมาหลายล้านนะ เมือไหนธุระที่ว่าจะทําแล้วเงินนั้นมันหายไปมันมีเงินมันแดดแล้วบางทีโผลได้ดอกเบี้ยสี่แสนอย่างเงี้ย อ, อพอจะไปติดัาเทีเอาได้ดอกเบีย 4, ย้ยสี่แสนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงถจริงแล้วไม่จดมีอะไรสักอย่างเลยมันจะต้องโผลขึ้นมาแบบขาดไปถึงอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่เป็น่างนั้นห การมีราย่ด้านยมที่ทำใจจะมีได้ข้อใดมาแทรกตัดในปัญญาในบุญในบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบาญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบ้ญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุนบนญบุนบุญอุญบุญบุญบุญบุญบุญบุทบุญบุญบุญบหลังญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญบทญบุญบุญบุญบุญบุญบ ก็โดยที่มาชำระตัวเองอย่างนี้ทําตัวกระดูลับ ต, ต, ต, ตั้งหลักใหม่และถึงคราวได้เนี่ยมันได้มากกว่าที่ตัวเองจะไปจันตัวหลังแก้ปัญหาดันตัวลังที่จะไปยังง่อย่างนี้นะอ่าอย่างนี้ได้หมดเป่้นวันนี้เราจบอันนี้นะเป็นสัปดาห์นหนะครับ